หาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยจะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะรู้ท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งจะเดินจงกรมก็ได้จะดูเวทนาก็ได้จะดูจิตดูใจเอาก็ได้มเวลาดูจิตดูใจก็อาจจะช่วยด้วยการพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้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 ตําราก็บอกเท้าสหัมบดีพลมรีมานิมนตนะ์บางคนก็ไปแปลเท้าสหัมบดีพลมว่าความการุณาในพระไทยของท่านไม่ต้องแปลหรอกจริงๆท่านการุณานะการุณาอยู่แล้วเท้าสหัมบดีพลมก็สหัมบดีพลมนั่นแหละนะนะมาบอกมาตูวนพระเจ้านะว่าสัตว์โลกที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีขี้ฝุน่นขี้ผงในตาน้อยๆ ย, ยังมีอยู่นะถ้าพราะองค์โปรดพวกนี้จะเห็นตามได้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 พวกนี้มุ่งที่จะพลโลกอยู่แล้วแต่อุบาสกคู่แรกนะอุบาสกคู่แรกทําไม่ได้สอนอะไรนะพวกนั้นก็ทำทานถือศีลไปนะตับุษะก็อะไรนะภาริกะใช่ไมพม่พมาว่าเป็นคนพมา่านะตับุษะภาริก ะ, ะพระพุทธเจ้าประทานเส้นเกศาให้แดเส้นเป็นที่ระลึกไม่มีวัตถุมงคลนะหมายนั้น